ภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิกอันหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุยังไม่ได้พิจารณาแล้วไม่พึงนั่งบนอาสนะภิกษุใดนั่งต้องอาบัติทุกกฎวงเล็บเรื่องที่สอง